ข้อความในมหาปริณิพานสูตรต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า255ข้อ82คือตอนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่บ้านปาตลิคามบ้านปาตลิคามปัจจุบันนี้เรียกว่าเมืองปัตตนะเรียกว่าปัตตนะนั่นเองหรือที่เรียกว่าปาตลีบุตร สมัยพระเจ้าอาโศกเรียกว่าเมืองปาตลีบุตรสมัยปัจจุบันเรียกว่าปัตตนะสมัยพุทธกาลมีชื่อว่าปาตลิคามบ้านปาตลิคามนั้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชายแดนบ้านชายแด น, นที่เจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านชายแดนระหว่างเมืองภัยสาลีกับเมืองราชครึกก็อยู่สองแคว้นแปลว่าเป็นบ้านที่อยู่ชายแดนระหว่างสองแคว้นแคว้นวัดชีกับแคว้นมคธ สมัยนั้นแลพราหมสุนีทะและวัสการะเนี่ยนะเรียกว่าวัาสการะพราหมแมสุนีทพรามเนี่ยมหาอมาตย์ของแควนมคตกําลังให้สร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาตะลิคามสร้างทําไมบอกว่าเพื่อป้องกันเจ้าวัชชีทั้งหลายนะเรียกว่าสร้างเป็นเมืองหน้าด่านเป็นป้อมปราการที่จะป้องกันฆ่าสุดอีกฝ่ายหนึ่งแต่ทว่าในสมัยนั้นแลเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากจํานวนพันพันเนี่ย เข้าไปห่วงแหนพื้นที่ในหมู่บ้านปาเตลิคามแป่ว่าชั้นแรกก่อนเนี่ยนะเทวดาจับจองที่ก่อนเพราะในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่หวงแหนพื้นที่จิตก็ น, น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศ ท, ทั้งหลายแก่พระราชาและราชอมาตยทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่ในภูมิประเทศนั้นๆเทวดาเนี่ยเขาก็ดูแลกันตามยศศักย์เหมือนกันนะมนุษย์ผู้มียศใหญ่ เทวดาก็ยศใหญ่ดูแลถ้ามนุษย์มีศักดิ์น้อยเทวดาศักดิ์น้อยก็ดูแลแปลว่าดูแลตามตามยศตามบุญนี่ยนะจริงๆก็ตามบุญนั่นแหละสรุปว่าในประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นกลางๆไม่มีศักดิ์ใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่เลวเกินไปเนี่ยนะเทวดาเหล่านั้นพากันหวงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างราชชีวิสร้างนิเวศ ที่อยู่ทั้งหลายแก่พระราชาและอราชอา ม, มาตักทั้งหลายชั้นกลางๆในภูมิประเทศนั้นๆถ้าหาว่าภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นต่ําพากันหวงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศ ท, ทั้งหลายแก่พระราชาและราชอา ม, มาตักของพระราชาทั้งหลายชั้นต่ําตามภูมิประเทศก็เรียกว่าตามบุญตามกรรมนะตามยศตามศักดิ์ว่างั้นฮะพื้นที่ที่ดีๆก็คนดีเขาอยู่คนมีบุญเขาอยู่ พื้นที่ที่ไม่ค่อยดีคนมีบุญน้อยอยู่เนี่ยนะก็ลอยู่กันตามบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นจานวนพันพันหวงเห็นพื้นที่ในหมู่บ้านปาตลิคามด้วยที่ประจักษุอันบริสุทธิ์เหนือดวงตาของมนุษย์ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นในเวลากใกล้รุ่งแห่งราตรีแล้วตรัสแก่ท่านท่าโนนว่าดูก่อนอนนน ใครหนอให้สร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาตลิคามนะคือนนว่าจัดทำเลสร้างเมืองเลยเนี่ยนะพระนนท์ก็กราบทูลว่าพราหมสุนีทะและวัศการะเนี่ยมหาอมาตย์ของเคว้นมคตกำลังให้สร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาตลิคามเพื่อป้องกันเจ้าวัชชีทั้งหลายพระเจ้าข่าแสดงว่าก็ศึกภายในก็เพิเม่เมเิ่มเหมือนกันนะ น, นะคือว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้มีเมตตาต่อกันเท่าไหร่ อีกฝ่ายหนึ่งก็ค่ายๆกับอินเดียกับปากีตอนนี้แหละ ก, กำลังแบบเพิ่มๆๆกันอยู่นั่นแหละทีนีก็เดิมทีมันก็บ้านเดียวเมืองเดียวกันนั่นแหละตอนหลังก็เกิดการแบ่งแยกมีจะมีที่ของเรามีที่ของเขาการแบ่งแยกนี่สำคัญมากการแบ่งแยกทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุให้จากมิตรกลายเป็นศัตรูก็เรียกว่าเลิกคําว่าของเราก็กลายเป็นของเขาทันที แก็ทีนี้ทำยังไงจะปกปักคุ้มครองหวงแหนของของเราให้อยู่ต่อไปได้นานทีนี้พระอานนท์ก็กราบทูลให้ฟังแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์พรามสุนีทาและวัสการพรามมหาอมาตของแควนมาคตให้สร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาตลิขามเพื่อป้องกันเจ้าวัชีทั้งหลายเหมือนอย่างเท้าส ก, กะทรงปรึกษาหารือกับเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึง เหมือนปรึกษาเทวดาเลยแหละดูก่อน อ, น, อนนณะที่นี้ตถาคตได้เห็นเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากจำนวนพันพั น, พนต่างห่วงแหนพื้นที่ในหมู่บ้านปาตลิคามด้วยที่ปรจักษุอันบริสุทธิ์เนื้อดวงตาของมนุษย์ในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่พากันห่วงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศ ท, ทั้งหลายแก่ราชาและราชาอัมมาทั้งหลาย ในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นกลางๆงพาการห่วงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่พระราชาและราชอามาตย์ทั้งหลายชั้นกลางๆงในภูมิประเทศนั้นส่วนในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นต่ำพากันห่วงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่พระราชาและราชอามาตย์ทั้งหลายในภูมิประเทศนั้น ดูก่อน อ, อ, น, อนุนเมืองนี้ยังเป็นที่ชุมนมของชนอริยะหรือว่าอริยกะหรือว่าผู้เจริญนเนี่ยนะอยู่ตราบใดเมืองนี้ก็ยังเป็นทางผ่านของพ่อค้าอยู่ตราบนั้นหมายคาอว่าถ้าคนที่มีความรู้มีความสามารถมารวมตัวกันเยอะ<ม><ม>ก็ถือว่าเป็นแหล่งค้าขายชั้นดีของพ่อค้าทั้งหลาย อย่าเราคิดดูนะที่ใดมีแหล่งราชการอยู่ที่นั่นการค้าค่อนข้างเจริญเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่าเมืองเมืองนี้ก็คือเนื่องจากว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งอยู่แห่งศูนย์ราชทางราชการทั้งหลายพ่อค้าทั้งหลายก็จะไปสร้างค้าขายอยู่ใกล้บริเวณนั้นดังที่พระองค์บอกว่าชุมนมชนอาริยะอยู่ตราบใดก็ยังเป็นทางผ่านของพ่อค้าอยู่ตราบใดต่อไปนะเมืองนี้จะเป็นเมืองชั้นเลิศชื่อว่าเมืองปาตลีบุตรนะก็ แต่จริงๆแล้วต่อมาเมืองนี้ก็เป็นเมืองของเมืองปารีบุตรจริงๆตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาลาโศกสมัยพระเจ้าอูเทนโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูตอนหลังที่สุดเมืองนี้รุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้าทำมาโศกก ร, ราชหรือที่เรียกว่าพระเจ้าอาโศกนี่ยนะและในสมัยราชวงศ์คุปปะก็เป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนั้นเมืองปัตตานีก็ไม่ได้เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเลยมีสนามบินในละแวกนั้นมีสนามบินก่อนเพื่อนเนี่ยนะ มีสนามบินมีที่รถไฟฟ้ามีรถไฟมีการขนส่งการจราจรประชาชนแน่นถนัดทุกวันเนี่ยทุกวันก็ยังเป็นอยู่นั่นนะรองก็พยากรณ์ไว้แล้วว่าเมืองเนี่ยจะเป็นเมืองชั้นเลิศเชื่อว่าเมืองป่าตลีบุตรและเป็นเมืองที่เป็นที่แก้หอสินค้านะบรรจุพันธุ์มาจากที่อื่นมาแก้ที่เมืองนี่แหละดูก่อนอนุนนครป่าตลีบุตรเนี่ยจะมีอันตรายอยู่สามประการคือหนึ่งจักไฟ สองจากน้ำสามแตกความสามคัคคีนะก็ในที่สุดบ้านเมืองก็มีปัญหานะปัญหาของเมืองนี้มีอยู่สามอย่างเท่านั้นแหละไฟน้ำแล้วก็ความสามคัคคีปัญหาจากไฟก็คืออย่างว่านะก็ด้วยเหตุผลในหลายอย่างเช่นการหุงต้มการทำมาการทากับข้าวทำอะไรทั้งหลายก็เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้นนะโดยที่สุดอยา่ย า, ยาว่าแต่ทำกับข้าวเลยเป็นเหตุให้ไฟไหม้ จุดไฟบูชาพระก็วัดก็มอดไปหลายหลังแล้วล่ะนะวัดไม่ใช่น้อยเนี่ยนะถูกเผาเพราะจุดเทียนบูชาพระเนี่ยนะก็แม้บูชาทั้งองค์เลยบูชาทั้งหลังนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นคนที่จุดทูบจุดเทียนเนี่ยนะต้องมีความระมัด ร, ระวังให้มากๆเลย น, นะทำบุญไพ่ไปพบกับบากก็ได้นั่นนะคือจริงๆแล้วไอ้ตัวบุญก็บุญแหละแต่เป็นประโยคข้าวิบัติอย่างบางแห่งเนี่ยนะหลวงตาบางองค์ก็จุดทูบบูชาพระในห้องในกุฏิ เสร็จแล้วก็ตอนออกมาไม่ได้ดับอะไรลืมดับไปธุระไปบิณฑบาตกลับมาก็เหลือแต่เหลือแต่ซากเลยแหละอันนี้ถ้าก็ถือว่าเกิดจากความเผลอเรอใครที่ทําตัวเผลอเรอแบบนี้คนนั้นต้องเสียค่าชดใช้เนี่ยนะก็คือว่าคนนั้น่ะมีโทษคนที่เผลอเรอนะั่นแหละคือว่าทําความเสียหายเพราะความเผลอเรอนะโทษก็ตกอยู่แก่ผู้นั้นมันก็ต้องระวังอย่างไปบูชาพระเจดีไปตามที่ต่างๆเลยนะ เรื่องการจุดทูบจุดเทียนเป็นต้นต้องระมัดระวังให้ดีสถานที่เขาดีๆอยู่เนี่ยนะเราไป ท, ำทํำจะเสียหมดเลยบอกว่าบูชาเนี่ยนะบูชาหรือทําลายมันต้องคิดให้ดีๆนะนะคนไทยเราเนี่ชอบไปปิดทองนึกถึงอินเดียคนไทยเราชอบไปปิดทองปิดเสร็จเนี่ยนะแขกมานั่งขัดกันขัดไปด่าไปขัดไปบ่นไปเนี่ยนะไทยนี่สวยสวยปิดทองติดเนียบเหมือนกันนะแขกบนอุ้บเลยนะขัดแล้วขัดอี ก, กนั่นแหละ อันนี้ก็ต้องคิดดูนะว่าความสวยของอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ถือว่าสวยนะความดีของอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดว่าไม่ดีเพรา ะ, ะเราต้องพยายามทบทวนศึกษาตามสถานที่เหมือนกันสําหรับคนที่ไปบูชาตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะหลายหายแห่งเนื่องจากเห็นปัญหาเรื่องไฟไหม้แล้วก็หน้าพระประธานเป็นต้นเขาจะไม่ค่อยอนุญาตให้จุดทูบจุดเทียนแล้วซึ่งก็เห็นด้วยนะบางทีก็จุดกันเป็นกรรมเลยนะไอ้สำลักควันกันแขกๆๆอย่างนนั่นแหละ มันก็ต้องอของหอมหรือว่าลมควันก็ไม่ทราบเนี่ยนะคือความหมายของทูตก็คือจุดของหอมนั่นเองอย้อนกลับมาที่เมืองอะเมืองปาตลีบุตรเนี่ยนะที่มีเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าเล่ากันมาว่าอมาตะเหล่านั้นใช้อานุภาพแห่งศิลปะของตนเนี่ยนะ มองเห็นแผ่นดินภายใต้เนี่ยหกสิบศอกที่นาคยึดเอาไว้คือคือคนที่มีบุญเนี่ยนะเขาดูเลยว่าข้างล่างลงลึกไปเนี่ยกี่เมตรเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าฟังอย่างนี้แล้วเขามาไม่ค่อยเชื่อแต่ตอนหลังก็ต้องเชื่ออย่างบ้านบางหลังเนี่ยนะเขาก็มีมีมีคนไปทักเลยเนี่ยตรงนี้นะมันมีตอไม้อยู่นะแล้วคนก็ขุดลงไปมันก็มีตอไม้จริงๆแลไอ้คนนี้ขี้เมาด้วยเนี่ยบอกถูกได้ยังไง นะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเป็นขี้เมาด้วยบอกว่าบ้านนี้นะเนี่ยมีตอไม้อยู่ข้างล่างขุดไปสิแล้วขุดไปก็เอาตอไม้ขึ้นมาเริ่มอะไอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วก็บ้างที่มีตอไม้ปัญหาว่าบ้านนี้เราหองระแหงอยู่ตลอดเวลาเลยก็มีเอาตอไม้ออกเออก็อยู่ดีมีสุกกันดีมางั้นมันก็บางคนเนี่ยเขาจะดูพื้นที่ว่าชั้นล่างลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็สำรวจแบบเนี้ยด้วยบุญบ้างด้วยศิละปะด้วย หลักการอะไรก็ไม่ทราบล่ะแต่สามารถพอจะสำรวจได้ว่าสถานที่ตรงนี้อยู่ดีหรืออยู่ไม่ดีเป็นต้นเน่ยนะสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนยักษ์ดูแลหรือว่ายักษ์ดูแลพูดดูแลหรือข้างล่างมีหินหรือมีตอไม้พวกอมตเหล่านี้ก็จะไร้ศิลปะสร้างขึ้นเหมือนกับปรึกษาเทวดาอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองเทวดาก็สิงอยู่ที่ร่างของอมตเหล่านั้นทําให้จิตน้อมไปเพื่อสร้างเครือข่า ในสถานที่นั้นนั้นพอเขาตอกหลักลงในสี่มุมเทวดานั้นก็เข้ายึดครองพื้นที่เนี่ยนะเรียก ว, ว่าอยู่ในความดูแลของเทวดาเาเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่นะพระภูมิเจ้าที่ก็คือกลุ่มนี้นั่นแหละที่ดูแลปกปักพื้นที่เทวดาผู้มีศรัทธาก็ทำอย่างนั้นแก่ตระกูลผู้มีศรัทธาแต่ว่าตระกูลมีศรัทธาเทวดาที่มีศรัทธาก็จะมาดูแล เทวดาผู้ไม่มีศรัทธาก็ไปดูแลตระกูลที่ไม่มีศรัทธาประยึดครองพื้นที่ของคนไม่มีศรัทธาบรรทัดคนไม่มีศรัทธาเทวดาก็ไม่ศรัทธาด้วยเหมือนกันนะเทวดาเคยญาตินะนะมันก็สัมพันธ์สัมพันธ์กันอยู่เพราะเหตุไรเพราะผู้ที่มีศรัทธานะเทวดาที่มีศรัทธาคิดไว้ว่าคนทั้งหลายในโลกนี้สร้างบ้านเรือนแล้วชั้นแรกก็ต้องนิ ม, มนต์เพียรสุสงฆ์ให้นั่งให้กล่าวมงคลเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราก็จะได้เห็นผู้มีศีลพวกเราก็จะได้ฟังธรรมกถาและฟังการแก้ปัญหาการอนุโมทนาทาน mm hmm. ผู้คนให้ทานและก็จะแบ่งบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เรา น, นะคือเทวดาผู้มีศรัทธาเขาก็หมายมั่นป้านใจที่จะอะไรได้ได้ฟังมงคลได้ฟังสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะเั้นเทวดาก็คอยดูแลเพั้นเทวดาก็ดูแลอุปถาผู้ที่มี ศรัทธาเนี่ยนะเขาเรียกว่ า, าธาตุมันใกล้ๆกันนะงั้นฮะบทว่าตาวติงเสหิเสียงขจรไปว่าในตระกูลเอ่อมนุษย์ตระกูลนู้นอาศัยมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมเป็นบัณฑิตนะนะเาบอกว่าหมู่บ้านคนฉลาดเนี่ยนะคนฉลาดไปอยู่คนเดียวหมู่บ้านนั้นกลายเป็นหมู่บ้านคนฉลาดไปเลยหรือภิกษุในวิหาร น, น้อนอาศัยภิกษุผู้เป็นพหูสูตรรูปหนึ่งในวิหารนั้นย่อมเป็นพหูสูต ร, รูปหนึ่งในวิหารนั้น วิหารนั้นก็เลยเรียกวิหารของพระหูสูตรอย่างนั้นฉันใดเสียงขจรว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะอาศัยเท้าสักกะอาศัยวิสุกรรมเทพบุตรบัณฑิต ก, ก็เลยเรียกว่าฉันนั้นเทวดาผู้ผู้ฉลาดเนี่ยนะ